นโมทัสสะปะตะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมทัสสะปะตะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมทัสสะปะตะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนิขิอิตวะรุรุงพารังอัญญพารังอนนาทิยะสมุลังตันหังอภุหะนิชาโตปริณิพุโตติธรรมโมสกจังโสตโธตินะบัดนี้จะได้พิจารนาในพระธรรมเทศนาขอ ง, ของพระภูมิพภาข้าว เพื่อเป็นเพื่อกระดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อวิริยะความภาคเพียรของกันทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้จเจริญองดงามตามหน้าใน้ทานแผ่ประพุทธศาสนากว่าจะยุติในลงโดยเวลาขอประกาศให้ทราบว่ า, จ, าจะแสดงธรรมเทศนาในรูปของปาทกระกธรรมเพื่อเป็นความสะดวกสบายในการพูดแต่ก็ยังมีรูปของธรรมเทศนาปรากฏอยู่คือต้องตัณฑโม ท่านทั้งหลายบางคนอาจจะคิดว่าจะตั้งนโมกันไปทําไมให้มันเสียเวลาเพราะว่าตั้งกันมามากมายแล้วซึ่งข้อ น, นี้ควรจะทําความเข้าใจแต่การเสียถูกต้องว่าการตั้งนโมนั้นเป็นการเริ่ดึกนึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนแต่ที่จะทําอะไรลงไปบทของนโมนั้นเริ่ึกนึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าว่วานโมตัสสะปะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเราจะต้องเริ่ึกถึงประคุณของพระพุทธเจ้าอย่างน้อยเช่นนี้เะก่อนแล้วถึงจะทําอะไรลงไป การนึกถึงพระพุทธเจ้าเสียก่อนและถึงจะทําอะไรลงไปนั้นมีความสําคัญมากเพราะว่าจะทํำมีสติแผ่สัปติสัญญาในการกระทาและนึกถึงอย่างรอบครอบโดยการลึกถึงคุณของพุทธเจ้าเสียก่อนดาว่าจะถาญพันว่าควรหรือไม่ควรอย่างไรตลอดเรื่องที่เราต้องการจะกระทําดังนั้นพันธล้าอย่าเบื่อละอาที่จะตั้งว่านโมตั้งนโมกันบ่อยแม้ว่าคนบางคนจะหัวเราะเยาะก็ตามการที่ล้วนรับแสดงปาฏิฆาธรรมโดยไม่ตั้งนโมนั่นแหละ หือเหตุปัจจัยประการหนึ่งที่จะทําให้อะไรอะไรมันลดต่ำลงไปมันมีความกระหือกัะหอกระหายต่อพ้นอันใดอันหนึ่งไม่มีเวลาขอพิจตันนะโมอันนี้แหละจะเป็นเหตุปัจจัยที่ทําให้จำนวนขรร้ารหัลด ล, ลดลงลดลงลดลงก็ได้ถ้าเรายังมีความมั่นคงในคุณของประพธตระทำประตรง้งจะทําอะไรนึกถึงซะก่อนอย่างน้อยก็ว่านโมซะก่อนจะตองเป็นการดีมีความมั่นคงในการกระทํามีความสมบูรณ์แครวก็ละเอียดถี่ถ้วนในการกระทํา จริงขอบอกกล่าวทางทั้งหลายว่าถ้าจะตั้งฟังนโมสัำซ้ำซากก็อย่าได้เบื่อหน่เลย <c oughs> การระลึกนึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าอยู่เป็นประจำนั่นถ้าระลึกเป็นระลึกถูกต้องจะมีประโยชน์มหาศาลแต่เมื่อคนมันที่เบียดขึ้ขนาดที่ว่าจะตั้งนโมก็ไม่มีเวลาใช่้หมันที่จริงว่าจะเสียเวลานิดเดีย ว, <c oughs> ท, วาายทำไม่ได้การที่เสียเวลามากๆก็ยิ่งทาไม่ได้นั่นแหละมันจะนำไปสู่ความละลวงสับเปล่าอะไรบัตรบัตรดาบยาตามกิเลสตหาสง้น เมื่อกี้นี้มีคนยื่นปัญหาถามขอให้เววจ้าปิจตนาว่าพระปัญญาคุณกับพระวิสิทธิคุณนั้นอันไหนก่อนหลังกันที่นี่ก็แสดงว่าไม่เคยเป็นใ จ, จในพพุทธเจ้าก็ได้คนรจะถือเป็นหลักทั่วไปตามบาลีที่ว่าปัญญายะบริสุทธิ์จิตปัญญาญะบริสุทธิ์จิ ต, ญญตพูดอีกทีหนึ่งให้ท่านทั้งหลายจําอย่างนั้นย้ำว่าปัญญาญ า, าบริสุทธิ์จิตนั่นแปลว่าบริสุทธิ์ได้ ก็เพราะปัญญามีปัญญาจึงจะสามารถทงความบริสุทธิ์ถ้าไม่มีปัญญาก็ไม่สามารถทงความบริสุทธิ์ถ้ามีความบริสุทธิ์ก็หมายความว่ามันมีปัญญามาก่อนแล้วดังนั้นจึงเป็นอนุตตร์ใต้ว่าปัญญาสัมมาก่อนจึงจะเกิดความบริสุทธิ์มีปัญญาเป็นเครื่องตัดกิเลสตัดกิเลสเสร็จแล้วจึงจะบริสุทธิ์นี่เป็นเหตุผลที่ว่าเราจะต้องสนใจนะครับเรื่องของปัญญาซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยของความบริสุทธิ์ปัญญาคือความรู้ทั่วถึงในสิ่งที่ควรจะรู้ไม่ต้องรู้ให้มากเกินจำเป็นในสิ่งที่่ไมรู้ <c oughs> แต่ว่าในบรรดาสิ่งที่ต้องรู้แล้วมันก็จะต้องรู้ให้นที่นี้อะไรเป็นสิ่งที่ควรจะรู้หรือตามพระพุทธภาษิตก็ตั้งกล่า ว, ว่าเรื่องความดับทุกข์นั่นเองเป็นสิ่งที่ควรจะรู้ไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าเรื่องนี้ความทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องรู้จับเหตุให้เกิดทุกข์เป็นสิ่งที่จะต้องละเสียภาวะที่ไม่มีความทุกข์อยู่การดับทุกข์นั้นเป็นสิ่งที่จะต้องทําให้เกิดแจ้ ง, จงวิธีทางที่ถึงการดับทุกข์นั้นเป็นสิ่งที่จะต้องทําให้เกิดมี เราทำํทำการ <c oughs> ทําการดับทุกข์โดยดําเนินตามวิธีทางสําหรับจะดับทุกข์เรียกว่าอริยมรรคมีองค์แปดเป็นหนทางดําเนิน <c oughs> เพื่อให้ถึงซึ่งความดับทุกข์ดังจะยกอบาลีที่ทป็นทีุ่้นเคยกันอยู่แล้วมาตา่อครั้งหนึ่งว่าพาราคเวบัรจักขันธาขั้นอาขันทัน้งหลายห้าเป็นของหนักเนินพาระ า, าโรเจปุคโรบุคคลแหลกเป็นผู้แบกของหนักพาไป พาราพานังทุกขั้นโลภะการแบกถือของหนักเป็นความทุกข์ในโลกพารานิเตปานังสุขังการสลับของหนักทิ้งออกไปเป็นความสุขมิถิปตวาครุงพารังทัญยังคารังนาติยะขั้นสลับของหนักอันหนึ่งทิ้งออกไปแล้วก็ไม่ถือเอาของหนักอันอื่นขึ้นมาถืออีสบูลังกันหั่งี่ปุยฮะมิชชาตโตปรินิพุโตถอนปัญหาขึ้นได้กระทั่งรักแล้วก็เป็นผู้ดับเย็นโดยสนิทดับเย็นในที่นี้หมายความว่าไม่มีกิเลส ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ข้อความตามพรบาลีพระพุทธพาตินี้แจ้งครับแล้วว่าให้คนที่ถือของหนักนั่นแหละเป็นคนที่จะมีความทุกข์ใขันธ์ทั้งหลายห้าเป็นของหนักเป็นที่ตั้งแต่งความยึดถือแต่คนไม่ชอาศึกษาเรื่องขันธ์ห้าเราจะพูดเป็นสมัยใหม่นี่แล้วตัวจรงถือไปเดินคึกคะไม่ต้องศึกษามันจริงไม่รู้ว่าจะต้องวางของหนักที่ไหนยอย่างไรขันธ์ห้าเป็นของหนักห้านั่นอะไรห้านั้นคือรูปเบทนาสัญญาสังขารและมิญาณ รูกคือร่างกายนี่ใน ล, ลักษณะต่างตามที่เนื่องกันอยู่กับร่างกายนี้นี่คือลูกเป็นที่จ้างแหงความคิดถือว่าเป็นตนหรือเป็นของตนได้แม้แต่ เ, เด็กๆก็รู้จักคิดถือร่างกายนี้ว่าเป็นตัวกู้ว่าเป็นของกูก็เรียกวมีของหนักที่ถือเอาไว้แล้ว <c oughs> เวทนานั่นคือความรู้สึกที่คือมาจากอัตละรู้สึกพอใจบ้างไม่พอใจบ้างหรือเป็นกวามความเฉยๆบ้างชเวทนาเป็นที่พอใจเกิดขึ้นนั่นตอนที่ถือในฐานะเป็นของที่พอใจ ทำให้พอใจเกิดขึ้นเป็นยึถือเป็นของที่ไม่พอใจ่ถ้าเป็นกางกลางเกิดขึ้นมันเป็นยิถือเป็นสิ่งที่สงสัยเพราะว่าพรวง์อย่างยิ่งเวทานาคิดถูกคิดถือว่าเป็นเวทานาของกูของเราของต้นอย่างนี้เป็นความหนักนะเพราะว่ามันมีการคึดถือแต่ถ้าไม่ถือมันไม่หนักเนะใคยสังเกต ด, ดูให้ดีมันเห็นได้ง่ายๆว่าก็อหินกอนนี้ถ้าเราไม่เอามาถือมันก็ไม่เป็นของหนักแก่เราถ้าเอายึดถือมันกะ็เป็นของหนักแก่เราความหนักเกิดขึ้นเพราะความยิดถือในความหนักนั่นแหละเป็นความทุกข์ ทีน <icy pose> ี weiß, <haben by S 2> ่ส <tai secure> <losers> <t> ัญญานะความสำคัญม <t> ันหมายว่าเป็นอะไรซืบอปอมาจากเวทนาถ้าเป็นเวทนาที่พอใจก็มีสัญญาว่าสุกขกัสัญญาสัญญาว่าสุกเวทนาไม่เป็นที่พอใจก็คือทุกขกับสัญญาสัญญาว่าทุกขความสําคัญมันหมายอย่างนี้เรียกว่าสัญญามีควาเปรียบปั้นความมีความสำคัญมันหมายว่าเราว่าเขาว่าได้ว่าเสียว่าแพ้ว่าชนะว่าหญิงว่าชายว่าลูกว่าผลวว่าเมียว่าอะไรต่างๆความสําคัญมันหมายนั้นเป็นที่สั้งแห่งความยึดถือถ้าสำคัญว่าอะไรมันก็ยึดถือว่าเป็นอย่างนั้น สาคัญว่าผู้นี้เป็นคนที่รักของเราสิ่งสังขารนี่เป็นที่รักของเราผันยึดถือว่าเป็นที่รักของเราไม่วเป็นความหนักแก่ผู้ยึดถือยึดถือของเป็นที่รักมันก็มีความผิดนึกต่างๆนานากระทั้งว่ามันจะสูญหายไปกระทั้งว่าหหุ้มหัวมันก็เป็นความหนักแก่ผู้ยึดถือสัญญาที่เป็นของหนักด้วยเหมือนกันถ้าตายเรียกว่าสังขารคือความผิดฝังนึกถ้ามีความรู้สึกสําคัญมันมาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วนั่นก็มีความผิดเกิดขึ้นอย่างนั้นอย่างนี้เกี่ยกับตัวเราเรา จะต้องทําอย่างนั้นเราจะทำอย่างนี้เราจะเอาให้ได้เราจะไม่ยอมแพ้ก็คิดอูบายวิธีต่างๆนานาไม่รู้จักสิ้นสุดจนเมื่อคิดได้มันมีความคิดเกิดขึ้นมันยึดถือในความคิดหรือสิ่งที่คิดได้นั้นว่าเป็นตัวตนเป็นตัวคูของกูคูมีความคิดยึดถือความคิดในฐานะเป็นของกูยึดถือจิตคิดว่าเป็นตัวกูยึดถือความคิดว่าเป็นของกูยึดถือว่าตัวกูยึดถือว่าของกูมันก็เกิดขึ้นเมื่อถือแล้วก็เป็นของหนักอย่างที่กล่าวมาแล้วสิ่งสุดท้ายเร วิญญาณทางจมูกสาหรับไปรู้แจ้งปิ together, ่นวิญญาณทางล well ิ้นสำหรับไปรู้แจ้งรสวิญญาณทางผิวกายสำหรับไปรู้แจ้งผลพักที่มากระทบกายเวิญญาณที่รู้แจ้งทางใจในความรู้สึกต่างๆเกิดขึ้นภายในใจก็เป็นเหตุให้รู้แจ้งซึ่งธรรมารมณ์นั้นวิญญาณรู้แจ้งถึงหกทางอย่างนี้แต่ละอย่างไม่อย่างล้แต่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือมันเป็นรูปสวยระยึดถืออย่างหนึ่งรูปไม่สวยระยึดถือไปอย่างหนึ่งเสียงเพราะยึดถือไปอย่างหนึ่งเสียงไม่เพราะระยึดถือไปอย่างหนึ่งไม่หอมระย่างหนึ่ง รสอร่อยก็ยึดถือไปอย่างหนึ่งรสไม่อร่อยก็ยึดถือไปอย่างหนึ่งอารมณ์ถูกใจก็ยึดถือไปอย่างหนึ่งอารมณ์ไม่ถูกใจก็ยึดถือไปอย่างหนึ่งเป็นความยึดถือที่เท่ากันแม้ในลักษณะที่ต่างกันขขึ้นชื่อว่ายึดถือแล้วมั่นก็เป็นของหนักนั้นในวิญญาณถูกยึดถือว่าเป็นตัวตนเป็นของตนแล้วมันก็เป็นของหนักยิ่งเห็นได้ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณห้าอย่างนี้เห็นที่ประกอบขึ้นขึ้นเป็นคนคหนึ่งนี่คือคนที่มีร่างกายและจิตใจนั่นเองประกอบอยู่ด้วยห้าอย่างขันยึถือม เกิดป็นเป็นรูปก็ยึดถือเกิดเป็นเป็นเวทนายึดถือเกิดเป็นเป็นสัญญากยึดถือเกิดเป็นเป็นสังขารไปยึดถือเกิดเป็นวิญญาณไยึดถือมันก็เป็นของหนักท่านจึงกล่าวว่าอาคท่านห้าเป็นของหนักเน้อมีคำวเน้อด้วยอาราเวปันจักพัพาเววเน้ออารทั้งห้าเป็นของหนักเน้อคำเน้อนี่เป็นการบอกการท้าทายคนโง่คนโง่มันยึทถือแล้วก็เป็นของหนักพาราฮาโรจักบุคโลบุคคลนั่นแหละเป็นผู้แบกของหนักมีความโง่ นิจาความโงทํา้เกิดความนิสถือว่าเป็นตัวผู้เป็นบุคคลบุคคลนบุคคลในที่นี้ก็หมายถึงตัวผู้ตัวตนบุคคลเป็นผู้นิถือหรือรู้แบกความหนักถ้าไม่มีบุคคลก็ไม่มีใครแบกความหนักถ้ามีบุคคลก็มีผู้แบกความหนักบุคคลก็เกิดมาจากความโงความําคผิดว่าตัวตนว่าตัดว่าบุคคลมันเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติทองจิตใจที่ตาดสาจปัญญาเกิดความรู้สึกนิสัยว่าตัวผู้หรือบุคคลขึ้นมามันก็เป็นผู้แบกความหนักบุคคลนี้มันเกิดขึ้นมาเรามีความน เป็นจิตใจของข้าราชการไปแล้วที่ม่นมีความรู้สึกว่าบุคคลตัวตนเราเขาบุตรชนคนธรรมดามันก็มีความรู้สึกว่าตัวตนความบุคคลก็ได้บุคคลนั่นแหละมาเป็นผู้แบกของหนะักท่านจึงจก่าว่าฮาระฮะโระโยบุคคลนั่นแหละเป็นผู้แบกของหนะักที่นี้ก็ตรงหนะักฮ า, าราฮานังทุกขันโลกะการแบกของหนะักเป็นความทุกข์ในโลกฮาระฮนังแปว่การแบกของหนักทุกขันโลกะเป็นทุกข์ในโลกเพในโลกมันมีปัใจจัยให้เกิดความยึดถือเป็นปัใจจัยให้เกิดความรู้สึกเป็นบุคคล เมื่อมีเกิดทุกคนมาที่ถือล้วมันก็มีความรู้สึกที่เป็นทุกข์ท่านจึงกล่าวว่าก mm hmm. ารแบกถือของหนักท่านเป็นทุกข์พาระนิเคประนังสุขังสลัดของหนักโยนทิ้งไปกนะ็เป็นความสุข น, นี่ท่านพูดภาษาคนถ้าพูดเป็นภาษาธรรมถ้เดี๋ยวพูดว่าการสลัดของหนักทิ้งไปไม่เป็นความทุกข์แต่บางทีท่านก็พูดภาษาคนพูดอย่างว่า KAR มีาาความสุขทัตธรรมดาเพราะว่าจะพูดเหตุเป็นที่สนใจแต่คนทํามดาทิ้งใช้คาว่าสุขแล้วมนุษย์เปนยังโง่อยู่เป็นธรรมดาเปนยังโง่อยู่ต้องเอาคำที่ทุกข์ได้อย่างเขาพูดงชคําาว่สุขขกรยนนอหัทิ้ ถ้พูดในภาษาพระอริยเจ้าปั่นกันตัวจะพูดว่าการโยนของหนักทิ้งไปไม่เป็นความทุกข์บามสุกสุกทำนี้มันเป็นที่ตั้งความคิดถือระวางให้ดีถ้าพูดเชียวกันไม่เป็นทุกข์มันมีน้ำหนักน้อยสาหรับบุคุชนถ้าพูดว่าสุกสุกมันมีน้ําหนักมากสำหรบุคุชนเอาเป็นว่าถ้าแบบนี้ของหนักก็ทําเป็นทุกข์โดนของหนักทิ้งไปก็ไม่เป็นทุกข์ที่นี้ที่จะโยนของหนักทิ้นไปเนี่ยก็คือการพรานปัญหาคือความอยากมันเป็นเหตุให้เกิดความที่ถือนั้นเสีย มีความอยากในสิ่งใดก็จะเกิดอุปาทานทิพถือในสิ่งนะั้นมันต้องมีความอยากขึ้นในจิตใจก่อนแล้วมันก็จะเกิดความรู้สึกถัดมาว่ามีตัวกูเป็นผู้อยากเพื่อจะได้มาเป็นของกูนี่แหละคือปัให้เกิดอุปาทานปัญหาความอยากเกิดเป็นใจแรกไปโดยความรู้สึกเรามีบุคคลเป็นผู้อยากคือตัวกูนั่นเองนั้นถึงตํางถอนปัญหาออกไปเสียจิตใจไม่มีความทิพย์ถือเหตุ ต, ต้องปัญหาหรือความอยากนั่นคือความโลภไม่ยังโลภยังดุจชนอยู่นั้นก็ต้องเกิดความอยากขณะรักน่าพอใจมันก็อยากได้ ถ้ไม่น่ารับหน้ากอใจมันก็อยากจะทําลายเสียด่ย า, เาเป็นนี้จะให้ต้นธุรกิจช่งก็เป็นความอยากเหมือนกันในสิ่งเหล่นี้เป็นที่ตั้งความอยากการเกิดความอยากแล้วมันเป็นธรรมชาติของธรรมชาติตามธรรมชาติมันทําให้เกิดความรู้สึกว่ามีตัวภูผู้อยากถ้าเกิดยึดถือด้วยความรู้สึกยึดถือตัวกูผู้อยากตัวภูผู้อยากมันก็ต้องเป็นทุกข์สถอนถึงความอยากจะได้ต้องสังเกตใจแล้วมันก็จะดับเย็นดับเย็นแห่งของร้อนก็คือปิเลตนิทราโตกันแปลว่า ไม่มีความผิวในจินี้มั น, น, นใจใจที่จิตใจที่หิวในอาระมณ์ที่เป็นที่ตั้านแห่งความบิดเบือนเป็นผู้หมดอยากคือหมดความผิวแล้วเป็นผู้ดับเย็นเป็นนิพพานนิพพานการตันงสือไปลว่าเย็นเย็นก็ไม่มีความร้อนความร้อนคือกิเลสมันมีความร้อนคือกิเลมันก็เย็นสภาพที่ไม่มีความร้อนนั่นคือความเย็นนิพพานมีทั้งอย่างที่ชั่วคราวเล็กๆกน้อยๆแต่อย่างทา้าบอลสูดสุดไม่เปลี่ยนแปลงถ้าว่าเป็นพระอราหารันตงก็ดับท่านหาปาทานสิ้นเชิงเป็นความดับเย็นที่ไม่เปลี่ยนแปลง ถ้ายังเป็นมนุษธรรมดาอยู่นันกระดับชั่วคราวดับเปนส่วนน้อยแลกลับมาอีกในเรื่องรูุกผล่ๆรูปรู่อ ๆ, ๆอยู่เดี๋ยวเย็นเดี๋ยๆๆร้อนเดี๋ยวเย็นเร้อนถ้าสังเกตให้ดีมันมีความเย็นอยู่บ้างเหมือนกันเมื่อใดไม่เกิดอิเลาเป็นของร้อนขึ้นในใจแล้วมันก็เย็นมันจะยังเป็นของเย็นอยู่ในบางขณะแต่เราไม่เคยสนใจถ้าเราไปสนใจจะจะร้อนน่ะจะอยากที่จะเป็นสุขสนุกสน้นอะไรอร่อยไปในอารมณ์นั้นนัท่านที่มันร้อนยิ่งร้อนไปยิ่งเพลินไม่ใช่ว่ายิ่งร้อนมันจะยิ่งถอยหลังนี่เรียกววว่าาาอิชคคืมโ ไม่รู้สึกในส่วนที่เป็นความร้อนว่าเป็นทุกข์ว่าเป็นภัยก็ยิย่งลงไมลิ้นในสิ่งที่ทำให้เกิดความอยากความตอ้ตองการยิ่งยิ่งขึ้นไป <c oughs> ก็ได้เป็นทุกข์เพราะความล้มล้นเพราะความโงโหเพราะความยึดถือยิ่งยิ่งขึ้นไปยึดถือในสิ่งเป็นที่ตั้งของความยึดถือที่เรียกว่าขันห้าเนี่ยคือลักษณะธรรมดาของมนุษย์ธรรมดามนุษย์แต่ชื่อถา้ามนุษย์เนี่ยมีความหมายดีมากคืจิตใจสูงแต่มันเป็นมนุษย์กัน แ, แต่ชื่อจิตเพ่นยังต่ําันเรียกวามสมมติว่าเป็นมนุษย์แต่ทีี่จริงงงมมัันนนยยย ไ, ไดดด้้เป็นนุษ์ว มันเป็นคำดาที่รุนแรงมากไอ้มนุษย์ที่มันยังไม่เป็นมนุษย์เพราะจิตใจมันไม่สูงพอที่จะยื้ออยู่เนื้อกิเลสและความทุกข์นันก็เเรียกว่ามนุษย์มนุษย์ตามที่เขาสมมติบรหยาเรียกกันที่จริงมันยังเป็นแต่เพียงคนคือสัตว์ก็เกิดมามันยังไม่เป็นมนุษย์ที่มีจิตใจสูงนี่แหละคือคนธรรมดาถ้าเป็นมนุษย์ใจมันสูงสูงสเียสูงกิสุลเป็นพระอรหันต์นนี้มันยังไม่ได้กขึ้นยังไม่เริ่มสูงยังไม่รู้จักตั้งต เราจรึงเรียกได้อย่างหนึ่งว่าความเป็นเปลี่ยมแห่งความเป็นมนุษย์อยู่ที่พระอรหันต์ถ้าถูงกว่าธรรดาไปมากแล้วแต่ยังไม่เป็นพระอรหรันต์ก็เรียกว่าพระโสดามันจะทีทาคามีพรันาคามีไปตามรเรื่องตามขนาดที่จะบัญญัตกันอย่างไรถ้าสูงถึงที่สุดกระไดก็เรียกว่าเป็นพระอรหันต์ซึ่งเราพากันมาทมาํามาคบบูช า, าเพื่อเป็นที่ระลึกแก่พระอรหรันต์ถึงที่สุดแห่งความทุกข์ไม่มีความทุกข์ไม่มีความทุกข์ก็อยู่แต่ประการดันถ้าเราเข้าใจรู้แจ้งจริงเราก็จะเข้าใจ พอใจในความเป็นพระอรหันต์แต่พอใจในเรื่องของพระอรหันต์มันจะมีหูตาสว่างมันจะง่วงนอนมันกับบางคนที่กำลังง่วงนอนเพราะคนนั้นมันไม่เข้าใจเรื่องของพระอรหันต์มันก็นั่งง่วงนอนแล้วก็ฟังเรื่องของพระอรหันต์นันก็น่าะหัวหรือไม่น่าหัวก็พิดารณเองที่มันเล่นไพ่นั้นอยู่ได้สว่างเนี่แต่ที่จะฟังเรื่องของพระอรหันต์มันก็ง่วงนอนมันเล่นมารุกมันก็อยู่เล่นได้สว่างแต่ที่จะฟังเรื่องของพระอรหันต์มันก็ง่วงนอนนี่วันนี้จะได้รู้กันว่าัใครจะฟังเรื่องของพระอรหันต์ได้ว เพราะมันมีคาใจเรื่องของพระอรหันต์เรื Wait, ่องราวของพระอรหันต์มัน uh, มีจับปกจับย่าจับผิดจับได้แต่ละกันใดมันต้องงมนอนเดี๋ยวนี้ก็จะไปพูดเรื่องของมนุษย์สูงสุดความเป็นมนุษย์คือเป็นพระอรหันต์ในเรายังเป็นมนุษย์ที่ไม่ลืมหูลืมตามีคนเรียกว่ามนุษย์เราคเรียกว่ามนุษย์เราด้วยถาได้สมกับความเป็นมนุษย์ก็รีบลืมหูลืมตารู้จักความหมายความเป็นมนุษย์ได้ถูกต้องมนุษย์ที่ไม่รู้ความลับสุดยอดของมนุษย์จะเป็นมนุษย์ได้อย่างไรบอกไหมว่ามนุษย์ ที่ไม่รู้ความลับสูงสุดของความเป็นมนุษย์มันจะเป็นมนุษย์ได้อย่างไรนักอะไรเป็นความลับสูงสุดของมนุษย์มนุษย์คือผู้ที่มีใจิตใจสูงอยู่เหนือปัญหาเหนือความทุกข์ทุกอย่างที่กําลังมีอยู่คนธรรมดาเหล่านี้มันเป็นมนุษย์แต่ชื่อมันเป็มปไปด้ปัญหาต่างๆนานาเต็มไปด้วยความทุกข์ต่างๆนานาแต่ถ้าเป็นมนุษย์ถูกต้องและสมบูรณจะอยู่เหนือปัญหาแตเหนือความทุกข์หรือนะมนุษย์ที่ไม่รู้จักความลับสูงสุดของมนุษย์มันจะเป็นมนุษย์ได้อย่างไรความลับสูงสุดของมนุษก็คือ มนุษย์นั้นมีจิตใจสูงอยู่เหนือปัญหาในความทุกข์ต่อการทุกข์วนเราจะพูดและฟังเรื่องพระอรหันต์กันได้หรือไม่มันก็อยู่ที่ตรงนี้นะธรรมาถ้าได้พูดเรื่องพระอรหันต์ก็ไม่ง่วงนอนเหมือนกันเป็นรายรับสัญญาว่าเป็นผู้ดีแต่พูดไม่ปฏิบัติอะไรพูดได้สวังเหมือนกันแล้ถ้าจะพูดเรื่องพระอรหันต์ก็ไม่ง่วงนอนแต่ว่าแต่คนฟังก็แล้วกันว่ามันจะง่วงนอนหรือไม่ง่วงนอนเราจะมาพูดกันเรื่องความลับของมนุษย์ให้เป็นที่ขักใจซึ่งกันและกันแล้วก็เดี๋ยไปเป็นมนุษย์ นันต้อพูดว่ามนุษย์คือผู้ที่มีจิตใจสูงอยู่เหนือปัญหาและความทุกข์ทั้งปวงมนุษย์ไม่ควรบูชาอะไรลาพูดอย่างโง่หังว่ามนุษย์ไม่ควรบูชาอะไรนอกจากบูชาความถูกต้องของความเป็นมนุษย์ของตัวเองผู้อย่างที่ดูถูกพระพุทธเจ้าไหม่ามนุษย์ไม่บูชาอะไรนากจากจะบูชาความถูกต้องแห่งความเป็นมนุษย์ของตัวเองคนโง่คงจะมองไป็นเรื่องนี้ดูถ right. right. like ูกพระพุทธเจ้าแล้วไม่ด so ูไม่บูชาพระพุทธเจ้าแล้วบูชาความถูกต้องแห่งความเป็นมนุษย์ของตนนี่ถ้ามันไม่โง่เกินไปมันก็จะรู้ได้ว่าในความถูกต้้อองงขกาารรเป็นนมมมมุษยีะววด ในความถูกต้องของความเป็นมนุษย์มันมีพระพุทธเจ้ารวมอยู่ด้วยถ้าเราบูชาความถูกต้องของความเป็นมนุษย์แล้วมันรวมพระพุทธธรรมผสมรวมไว้หมดเลยที่คนบูชาคนาัดนามันมีอยู่ในความถูกต้องของความเป็นมนุษย์เราไปคุยกันแล้วว่าพระอรหันต์ลอดสุดของความเป็นมนุษย์ในความถูกต้องของความเป็นมนุษย์มันรวมอยู่ในพระอรหันต์ในความเป็นพระอรหันต์ถ้าเราบูชาความถูกต้องของความเป็นมนุษย์มันก็บูชาในสิ่งที่คนบูชาทุกอย่างทุกประการในความเป็นพระอรหันต์มันรวมความหมายของคำว่าพระพุทธธรรมผสมผลมีพานอะไรไว้หมดเล่นเดี๋ยวนน้อยๆ ความนุษย์ควรจะบูชาความถูกต้องของความเป็นมนุษย์ของตนเองในความถูกต้องของความเป็นมนุษย์มันต้องมีอะไรอีกดูที่ความมีจิตอยู่เนื้อหาในความทุกข์ทุกอย่างทุกประการดังที่กล่าวมาแล้วถ้ามันไม่มีความถูกต้องของความเป็นมนุษย์นั้นจะไม่อยู่เนื้อปัญหาหรืนความทุกข์ใดๆเลยท่านไปคิดดูเห็ดีเอาไปคิดดูเห็นดีว่าจะมีความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องหรือมคือมีความมีภาวะมีความอยู่เนื้อปัญหาและความทุกข์โดยประการทั้งปวงน่าบูชาไหมควรบูชาไหมความอยู่เนื้อปัญหาและความทุกข์ ถ้ไม่าบูชาจะไปบูชาอะไรก็เลือกเอาเองธรรมะมีความเห็นว่ามนุษย์ควรจะบูชาความถูกต้องแห่งความเป็นมนุษย์ของตนเองไม่บูชาสิ่งอื่นก็ได้เพราะว่าในความถูกต้องแห่งความเป็นมนุษย์นั้นมันรวมสิ่งที่ควรบูชาไว้ครบส่วนทุกๆสกสารเรารู้กันใี้เข้าใจในเรื่องนี้ในเส่นก่อนเพื่อแก้ปัญหาของความเป็นมนุษย์หรือมนุษย์ปัญหาให้ได้นั่นแหละเป็นผู้ที่เอาชนะความทุกข์ได้เออเป็น ผู้ที่ไม่มีความทุกข์มีชีวิตชนิดที่ไม่เป็นความทุกข์ไม่มีความทุกข์เป็นชีวิตชนที่ดับเย็นเรียกว่านิพพานนิพพานแปลว่าดับเย็นไม่มีปัญหาใดใดไม่มีความทุกข์ใดใดไม่มีความเร่าร้อนใดใดเพราะว่ามันไม่มีไฟไม่มีไฟนั่นคือกิเลสนั่นเองนี่แหละแล้วพิดารณ์ขี่ว่ามนุษย์ที่ไม่รู้ความรับสุดยอดของความเป็นมนุษย์นี่มันจะเป็นมนุษย์ได้อย่างไรกันถ้าจะเป็นมนุษย์ได้ก็ต้องรู้ความรับสุดยอดของมนุษย์อย่างนี้คือความที่อยู่เนื้อปัญหาเนื้อความทุกข์เนื้อความเร่งนรมาททุุกกอย่างประ้าน เรียกว่าดูเนื้อภาวะที่ไม่น่าปราศพนาในทุกอย่างทุกสกานจะทําได้อย่างไรก็อย่างสบาลดีที่เราแล้วกันก่อนว่ายาเป็นผู้แบกของหนักยาเป็นผู้โง่เขลาแบกของหนักยาไปแบกอะไรให้เป็นต่างๆเป็นไปฟตามธรรมดาอย่าเอามาแบกมาถือไหวว่ามันเป็นตัวถูเป็นของตู่วัวป้ายไร่นาก็ให้มันอยู่ที่ทุ่งนาอย่าเอามาแบกไว้บนบ่าหรือบนหัวคนที่มันไม่เป็นมนุษย์มันยังโง่อยู่มันก็ต้องทุกข์กระมาณนถ้ามันเาวัวป้ายไร่นามาแบกไว้บนบ่าบนหัว เงินทองเข้าองเก็บไว้ทิ่ธนาคารก็ดีแล้วอย่าเอามาแบกไว้บนหัวอย่ามาทูลไวบนหัวอย่ามาเอามาซุ้มบนศีรษะเนี่ยเงินทองก็ไม่เป็นของหนักแต่ถ้ามาวิจอบกังวลวิจอบกังวลมันก็กลายเป็นเอามาแบกมาถือมาทูลมาหาบมาคลอนนั้นมันก็กลายเป็นของหนักและที่สุดแต่เกียรติยศชื่อเสียงเกียรติยศชื่อเสียงการได้หน้าได้ตาที่ชอบเปนนักนั่นแหละอยเอามาแบกมาทูลไว้บนหัวถ <RY> ้าม no ันอยู่ตามที่ของมันไปแล้วกันอย่าเอามาแบกไว้เป็นของหนักเนื้อติดเนื้อใจใจมันก็ไม่หนัก ในเดอนนี้ได้ขีดเกลี่ยยอดชเสีงในช น, นิดมันก็มาดิดถือไว้เป็นของหนักอยู่ในจิตใจมันก็คอยกลัวแต่ว่ามันจะซูนสีไปมันจะหมดสิ้นไปมิจ้อกังวลอะไรอาวรบนไม่เท่าไรก็ต้องได้เป็นโรคกระส่าไอ้ละไอแมวคำนี้จะจาไว้เป็นตัวเองว่าอย่าทำอะไรอะไรให้มันต้องละไอแมวราะว่าแม้มันม่เป็นโรคกระส่าและมนุษย์เป็นโรคกระส่ามันจะไ ม, ไม่ละไอแมวอย่างไรกันเรื่องความเป็นมนุษย์นี่มันยังลึกอยู่บางคนก็คิดว่าการได้เป็นมนุษย์เนี่ยเป็นความดี หรือนสนุกที่จริงการเป็นมนุษย์เนี่ยคือมาเผชิญกับปัญหาชนิดที่รับที่ตามความมนุษย์ไม่ต้องเผชิญสัตว์เดรัจฉานงมาปาไมันไม่มีปัญหามากเลยมนุษย์งนั้นมันเป็นต้องเป็นโรกระสับไม่มีปัญหาเรื่องลูกเรื่องนี้เรื่องข่เรื่องของเรื่องเกี่ยวกับช่สดับบริวารมันไม่มีปัญหาแต่พอมาเป็นมนุษย์ข้าสิ่งเหล่านี้มันเกิดมีขึ้นมานันก็เป็นปัญหามนุษย์มีสติปัญญายิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานข้อนี้จริงแต่มนุษย์มัน สัตว์เลือดชาติมโง่เขามันก็ไม่ได้สร้างปัญหาอะไรขึ้นมามนุษย์มันฉลาดมันก็สร้างปัญหาขึ้นมาเป็นอันมากสำหรับที่จะให้เป็นทุ๊บการเกิดมาเป็นมนุษย์นี่มันไม่ได้ดีหรือชั่วมันมาเป็นกลางกลางแต่เขามาเป็นมนุษย์แล้วมันโง่แล้วมันก็ทำผิดพลาดปัญหาอะไรตามทุกเหมืนก็มากแต่เขาสร้างธรรมชาติขาสร้างให้มีตัวมันฉลาดสามารถจะแก้ปัญหาได้แต่มนุษย์มันก็ไม่สนใจมันไม่กําใจในทางที่ทําให้ฉลาดที่จะแก้ปัญหาได้โดยกฎของอิทาปัจตาซึ่งควบคุมทุกทุกสิ่ง กำลังเกิดขึ้นจะมีอยู่ทั่วไปในสากลจักรวาลพฎพิทักษ์ปัยญาตามีหลักเกณฑ์ว่าพระสิ่งนี้มีสิงนี้ถึงมีพระสิ่งนี้มีถึงนี้ถึงมีพระสิ่งนี้มีสนถึงสงนี้มงนี้ถึงมีพระสิ่งนี้ไม่มีถึงนี้ก็ไม่มีพระสิ่งนี้ไม่มีถึ่งนี้ก็ไม่มีพระสิ่งนี้ไม่มีถึงนี้ก็ไม่มีนี่มันเป็นกฎองธรรมชาติเป็นกฎวิทยาศาสตร์เนื้อกฎไดๆฉนักพระว่ามันมีน้ามันก็เกิดไอ้น้าก็มีไอ้น้ำเกิดขึ้ ที่เรียกว่าไม่รู้ทีุด่ะว่าแตแ่เราปลอดภัยนหมอหมอก็ต้องทำหน้าที่หมอยุ่งกันไปหมดเรื่อยกันไปแม้ว่าจะตายเข้าโรงพยาบมันก็ยังไม่จบเรื่องยังมีปัญหาอะไรเหลืออยู่ถอดครอบตามกฎของอิทธปยาตาให้มันเป็นใฝน่ายตรงกันข้ามนัม่นก็อมีต้องมีความทุกข์แต่มันมีได้เฉพาะแต่ผู้ที่มีสติปัญญามีความเชี่ยวชาในการเปรียบุตรทําพันสิ่งเหล่านี้ไม่ ม, ไมือเป่าก็ไปรับประมาที่ถือเป็นทุกข์เรามีกฎของอิทัปาปยตาเป็นหลักสําหรับแก้ไขควาทุกข์ป้งกันความทุกข์ทำลายความทุก ถ้าทำไปผิดโดยกฎอิทธิปัจจิตาฝ่ายตรงกันข้ามมันทําให้เกิดความทุกข์พวกอื่นก็ถือว่าเป็นโดนบันดาล ข, ข, ข, ของพระเจ้าผู้ปีติศาสตร์ผปีตานเทวดาอะไรก็ตามแล้วแต่ความเชื่อของเขาแต่พุทธบริษัทนั่นถือว่าเป็นเพราะการกระทําผิดหรือกระทาผูกต่อกฎอิทธิปัจจิตาถ้าทำถูกต้องตามกฎิธิปัจจิต า, า, ก, ต ก, ตาก็ไม่มีทุกข์ถ้าทําผิดไปก็ว่าท่านไปในฝ่ายที่จะเป็นทุกข์โดยกฎของข้าพเจ้าก็ต้องเป็นทุกข์เราจะต้องปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎของอิทธิปัจจิตาฝ่ายที่จะไม่เกิดความทุุก์นนนมมมษยยีีควาารู้อ่ง มนุษย์ก็รักษาความเป็นมนุษย์ให้มีค่าอยู่ได้คือไม่ต้องละอายแมวแมวมันเป็นสัตว์เลี้ยัดชันมันคิดไม่เป็นมันจึงไม่มีความทุกข์หรือมีทุกข์น้อยมันยึดถือไม่เป็นก็มันโมโหมันยึดถือไม่เป็นแต่มนุษย์เป็นฉลาดมันกลับยึดถือเก่งนั้นก็ได้เป็นทุกข์มากยุ่งยากสับสนผูกพันกันในรูปสิ้นสุกมันก็ได้เป็นทุกข์ให้ละอายแมวั้นที่จะเป็นมนุษย์นิจจีเรกว่ามีบุญหรือเป็นโชคลาภมันเปิดเสริมนะมันต้องเป็นมนุษย์ที่ถูกต้อง ถ้าไม่ใช่นุษย์โง่ก็คือไม่ใช่นุษย์มันเป็นคนโง่มันก็เต็มไปด้ปัญหาเต็มไปด้ความทุกข์สู้แม้ก็ไม่ได้ไห่แม้มันไม่มีความทุกข์แต่คนคนนี้มันมีความทุกข์เพราะมันไม่รู้เรื่องของความเป็นมนุษย์ดังนั้นจึงถือว่าความลับสูงสุดของมนุษย์นั้เป็นสิ่งที่มนุษย์จะต้องรู้เรามีความถูกต้องของความเป็นมนุษย์เถิดในการเป็นมนุษย์นั้นจึงจะเป็นของดีมีโชคลาภเป็นโชคลาภอันกระเสริฐที่ได้เป็นมนุษย์พระอรหันต์ทั้งหลาย่แท่านยอผ่านต้อนไปแล กวร น, นี่เรากำลังมีปัญหาร่วมกันมนุษย์ทั้งหลายในโลกนี้กาลังมีปัญหาร่วมกันทีน่คือมีความทุกข์เป็นเพื่อนทุกข์เป็นเพื่อนเกิดแสเดดตายด้วยกันก็ <c oughs> ะจะถือว่าไม่ว่ามนุษย์ในมุมโลกไหนกําลังถือศาสน า, าไหนถือวัฒนธรรมอย่างไรเป็นอยู่อย่างไรเป็นเพื่อนทุกข์ด้วยกันถ้ามันเห็นได้ชัดๆว่ายัางมีความทุกข์นั้นเราจึงควรจะมีความรักมีความเมตตามีความการณุณาต่อกันอย่าได้เป็นศัตรูแก่กันมันจะเป็นการเพิ่มความทุกข์ให้มากขึ้นไปอีกถ้าที่มีอยู่นี้มันก็พอมแล้วเราจะเป็น อย่าไปเพิ่มความทุกข์ก็มาอีกด้วยการทํางตนเป็นผู้มุ่งร้ายเป็นผู้เป็นศัตรูไม่เป็นมิตรต่อกันเราเห็นได้ว่าทุกศาสนาเลยสอนเป็นความรักผู้อื่นทงนะไม่ว่าศาสนาไหนมีใจควารสำคัญสอนในรักผู้อื่นศาสนาไหนสอนเกตี้ยงผู้อื่นแล้วทอดถอดออกไรไม่เป็นศาสนาไม่ใช่ศาสนาศาสนาถูกต้องต้องสอนความรักผู้อื่นเพราะว่าเราเป็นผู้ทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการทั้งตนทั้งสิ้นเราเจอกันต่อสู้ความทุกข์ป้องกันความทุกข์ทำลายความทุกข์ อย่าให้มนุษย์ต้องมีความทุกเพราะความโง่ที่มีอยู่ในความฉลาดนันมีความฉลาดสาหรับจะโง่ให้เป็นทุกข์มนุษย์จึงเป็นทุกข์ได้มากกว่าสัตว์เดรัจฉานฉลาดในการคิดในมันมากสําหรับยึดถือให้มากแล้วก็ได้เป็นทุกข์ให้มากนี่คืออาการที่ว่ามนุษย์น่าละอายแก่สัตว์เดรัจฉานที่มันมีทุกข์น้อยเพราะมันคิดไม่เป็นมนุษย์มันมีมันสมองมากมันคิดได้มากมันก็คิดสําหรับจะยึดถือได้มากมันก็เลยมีความทุกข์แต่มากนี่เรียกฉลาดที่เป็นความโง่ความฉลาดที่อยู่ในคคคววววาาาาาามมมมโโงง่หรรือีีเเยกฉด มันฉลาดถ้าเราไปยึดถือให้มากคิดดูดิความฉลาดแบเนีม้มันจะมีประโยชน์อะไรมันจะเป็นที่พึ่งได้หรือไม่ถ้ามีความฉลาดจริงมันจะต้องรู้จักคิดเป็นทางที่จะในให้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวนี้มันยิ่งคิดเป็นทางในหาหา น, นหาหนีมาเพิ่มยิ่มากข้าในบ้านในเรือนรกไปเลยสิ่งที่จะเป็นภาระหนักสําหรับไปยึดมันคือมันให้เกิดความฟุ้งแล้วเป็นวัตถุพัฒนาที่เป็นรูปธรรมนี่นะมันเป็นรูกปกระแขงในภายนอกรูกปกระแขงในภายในยคือร่างกายรูกปกระแขงภายนอกก็คือวัตถุสิ่งงอ ซึ่เป็นที่รักเป็นที่พอใจมันก็เลยได้ยึดถือทั้งรูกปกระสันภายนอกรูกปกระสันภายในยมันต้เป็นทุกข์มาก่อนธรรมดานี่เราเรียกว่าความลักกับความเป็นมนุษย์อย่าให้ความเป็นมนุษย์กลายเป็นเรื่องเพิ่มความทุกข์ให้มากจนเป็นทีน่าละอายสัตเดรัจฉานซึ่งมีสติปัญญาหน่อยคิดได้น่อยยึดถือน้อยแล้มีความทุกข์น้อยมนุษย์ทุกคนจงรู้จักรักษาเกียติยศของตนอยาให้เป็นทีน่าละอายแต่สัตเดรัจฉานนี่เรียกว่าความรับของมนุษย์ <c oughs> ที่นี่เขจะดูสิ่งที่มมมัันนนนจะดูเกกกี่่ยยยวบุุุษษ์์ตอไปทค เราจะมีสิ่งยึดถืออเพื่อป้องกันความทุกข์สมาทานเพื่อป้องกันความทุกข์ร่วมกันได้ท่างที่ว่าจะเรียกชื่อต่างกันสิ่งนั่นคือสิ่งที่ตัดําจัดทุกข์ในศาสนาหนึ่งๆก็เรียกชื่ออย่างหนึ่งตามภาษาที่ใช้อยู่ในศาสนานั้นๆศาสนาเกิดในพื้นที่ต่างๆกันเกิดขึ้นในพื้นที่ใดก็ใช้ภาษาในพื้นนั้นๆเรียกชื่อต่างกัน แต่มีความมุ่งหมายสิ่งเดียวกันคือสิ่งที่จะช่วยดับทุกข์มันเป็นสิ่งสูงสุดคือความถูกต้องของความเป็นมนุษย์นี่จะช่วยดับทุกข์ได้ร่วมกันเรามารถจะควบคุมไม่เกิดทุกข์สามารถจะทำลายความทุกข์ที่กำลังเกิดอยู่ที่เรียกว่ามนุษย์ทุกคนมีปัญหาอย่างเดียวกันมีหัว อ, อกเดียวกันควรจะรักใคกันควรจะเวทนาสงสารกันมากกว่าที่จะเป็นศัตรูกันเดี๋ยวนี้เราไม่คิดอย่างนี้เราคิดแต่ว่า เป็นส่วนได้ของเราใครจะเป็นอย่างไรต่างหัวมันให้ฉันได้แล้วกันไม่ได้คิดว่าวนมนุษย์ทุกคนมีปัญหาอย่างเดียวกันมีหัว อ, อกอย่างเดียวกันต้องเป็นเพื่อนทุกด้วยกันอย่างที่เรียกว่าเราเป็นเพื่อนเพื่อแก่จะตาด้วยกันถ้าทุกคนคิดอย่างนี้ฉันก็จะทําจัดความทุกข์ได้เพราะว่ามันร่วมมือกันช่วยกันให้ฉลาดในทางที่ถูกต้องหรือฉลาดในทางที่จะดับทุกข์ได้และนี้มนุษย์ในโลกปัจจุบันนี้เขาฉลาดในทางไหนเขาฉลาดในทางที่จะเพิ่มความทุกข์ช่วยเกิดความทุกข์แล้าก็ชวนกันหลงใหล ในเหยื่อของปิเลตในเหตุตัดใจของกิเลตซึ่งเอามาช่วยให้กิเลสมันมากขึ้นโดยเฉพาะยุปัจจุบันนี้ที่ว่ามนุษย์มีความจเจริญก้ามหน้านนมันจเจริญก้ามหน้านนไปในทางที่จะเกิดความทุกข์ทั้งนั้นเลยมันช่วยกันคลิกสิ่งที่จะทําให้ตัวเองโล่งทาให้ตัวเองหลงยึดมั่นถือมั่นจนเกิดความทุกข์มากเกินจำเป็น <c oughs> ไปดูสิ่งของเพื่อนใช้ไม่ซ้อนเื่องเล่นต่างๆนาน า, น า, นาที่ไปซื้อไปหามา <c oughs> แล้วตำรวจ ด, ดูทุกสิ่งทุกอันทุกชิ้นว่ามันช่วยให้เกิดความโง่หรือความตสลากในการทีี่่่ดดับทุกเราาไมคิอยงน้ เราพิจว่าอะไรอร่อย่วยงามของหั ว, จวใจเราเอามากราซื้อหามาเท่าไรก็เท่ากันแล้วก็ดูทีว่าเนี่มันมาช่วยให้เกิดอะไร <c oughs> มันช่วยให้เกิดปัญหาหนุนยากลําบากมากขึ้นนี่แหละความเจริญของมนุษย์ปัจจุบันที่เรียกว่าความเจริญสําหรับอวนดพันสําหรับแกงโมให้มีความทุกข์มากกว่าธรรมดาความเจริญแผ่นใหม่เป็นอย่างนี้มันเสร็จให้แต่สิ่งที่เกินจำเป็นอะไรๆมันเลยจาเป็นมากเป็นทุกทีซึ่งจะต้องหามันมาให้โดยคันเห็ดเหนื่อยแล้วเอามาทำให้ตัวเองเป็นทุกข์ คามเจริญวัุมามหาศาลในโลกนี้มันจะลิดสิ่งที่ไม่จำเป็นตะเกินจำเป็นสำหรับจะให้เป็นทุกข์มากๆอื่แตกปลออกไปยกตัวอย่างเช่นว่าเดี๋ยวนี้มนุษย์เดี๋ยวนี้มันมีน้าแข็งกินมนุษย์สมัยป่าเือนไม่มีน้แข็งกินมนันี้ทั้งโลกมันติดน้แข็งขึ้นมากินไม่รู้สะกีล้านตันมั้งน้แข็ง้าล้านตันมันต้องเสียเงินเท่าไรเท่าไรเท่าคนสมทราทถ้าไม่มีน้แข็งนกินน้ำแข็งมันก็ไม่ทั้งนุ่ยากลำบากในส่วนนี้แล้วไม่ได้กินน้ำแข็ ไม่กินก็ไม่ตายนี่ดูอ่างเหล็กนี่เป็นน้ำอักลมเนี่ยมันกุ๊กหัวระแหงอ่ะซึ่งมนกษย์สมคนป่าไม่รู้จะคำเป็นมากินมนุษย์ทำอะไรนี่ทำน้ำอัดลมเป็นมาวันหนึ่งกีล้านล้านกูดแล้วมันก็ว่าทํานั้นแหละเขาไม่กินก็ไม่ตายนี่เรียกว่าเห็นง่ายๆอยากจะพูดว่าถ้าเราอยู่กันอย่างธรรมชาติธรรมดาในตังซื่อกระดาษม้วนมาใช้ในส้วมม้วนละสาบาทแ้ววันหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งทั้งทั้งโลกมนใช้กี่ล้านม้วนแมันก็มาติดในกระดาษในส้วมมันมีอย เราจะใช้น้นล้างกันอย่างธรรมดามันก็ไม่ต้องเสียค่ากระดาษมุนท่า <c oughs> ล, ลงรวกันแล้วก็ไม่รู้ว่ากี่พังกี่มือล้างบาทหนึ่งทีนี้มันมีแตจะต้องใช้น้นลดลงและกระดาษมุที่สร้างในส้วมอันนี้สารระคายอย่างซึ่งไม่ต้องมีก็ได้ความเจริญความเจริญคืออะไรความเจริญมันก็ออ ค, นคือเรื่องบ้ามากขึ้นมันก็ไกลจากความเป็นทารหานมากขึ้นท่าขอให้คิดดูดีๆว่าความเจริญสมัยนี้มันเป็นเรื่องบ้ามากขึ้นมากกว่าที่ว่าจะให้ฉลาดคือมันฉลาดก็สำหรับจะโง่มันฉลาดสำหรับจะบ้ามากขึ้นนีนคือความจรริัี เป็นพระอรหันต์แนยากความเป็นพระอรหันต์ลดลงลดลงลดลงพระพุจ้าองค์นี้มีพระอรหันต์ประองยห้าสิองค์พระพุทธเจ้าองค์เก่าไปร้วะลดลงเหลือกี่องค์สิองค์ก็ได้เพราะว่าไม่มีความสนใจในเรื่องของความหุกในนใจในเรื่องของพระอรหันต์นั่นเองสมัยก่อนโน้นมันไม่มีเรื่องหลอกกันมากอย่างนี้คือกินอยด่เรื่องนุ่งเรื่องหมเรื่องใช้ไม่ซ้ํายังที่อยู่อาศัยมันไม่มีระไรลอกันมากเหมือนอย่างสมัยนี้คนสมัยนี้ก็ดูเองสิต้องไปต้องทําบ้านทําเมืน เดนี้เรือนราคาหมื่นจะอยู่กันไม่ได้แล้วต้องอยู่เรือนราคาแสนบางคนเรือนราคาแสนอยู่ไม่ได้ต้องอยู่เรือราานราคาลา <S <s ้านรถเดินคนรถเดินคนเดียวไม่พอเราต้องมีหลายคันรถเดินราคามือจะใช้ไม่ได้แล้วต้องใช้รถเดินราคาแสนราคาลาค้านมันมีหลายขยายเป็นทางเี่จะเพิ่มปัญหาแตมน 6, 10, 80, Donc, 38, ุษย์ที่มาจมปลับอยู่ในเรื่องของปัญหาและความทุกข์มันก็เป็นกระหัน้อยอย่างท th ี่ได้กล่าวแล้วเมื่อตอนเย็นว่ากระหันลดลงอย่างไรลดลงเท่าไรในยุคสมัยของกบฏปิปไต้คงหงนึงแต่หนที่เคยมากึนหกสิบแปดหมื่นหกสปดหม รถลงรถลงรถลงเรือข้ามตัดงว่าก็มนุษย์มันเทในทางที่ตรงข้ามพระอรหนรถลงท่านที่พระนะจ๊ะท uh uh ่านอิสระว่าถ้าเป็นอยู่กันโดยชอบใต้โลกนี้ก็ไม่ว่างจากพระอาหารเป็นอยู่โดยชอบนี่หมายกว่าอย่างไรที่เป็นอยู่ชนิดกิเลสนเข้างั้นไม่ได้ท่านเขพูดอย่างภาษาสามมันตัวกระดดกันหน่อยเขพูดว่าเป็นอยู่ชนิดกิเลสสายหัวไม่ได้กิเลสไม่มีที่มาสายหัว่คนนี่ให้ไปสู่ความทุกข์กิเลสไม่มากี่พอไม่มาส้หัวไม่มาหลับดันให้ไปสู่ความทุกข์นั่นแหละเรียกว่าเป็นอยู่ชอบ ระบุให้ชาติว่าปฏิบัติตามอเยมักมีองค์แปดเนะ่ยถูกต้องทั้งไก่ะการนั้นแล้วโลกนี้ก็ไม่ว่างจากพระอาหารหันยิ่งปฏิบัติในอเยมักมีองค์ไป่ตะการมากเป็นเท่าไรโลกนี้ก็จะเพิ่มจํานวนพระอาหารหันนี่ขอให้สนใจข้อปฏิบัติที่เป็นธรรมนูญรของศาสนาโลกเพื่อความเป็นพระอาหารหันนูราวาโตไม่กล่าวรายนูปทาโตไม่ทําร้ายปาติโมคเเต่ตั้งมรรคสำรวมดีในระเบียบวินัยอัตตันดูตาจะพัฒตาเนี้รู้ประมาณในการบริโภคกันตั้งใจจะนาจะนั่งพอใจอย่างที่นั่นที่นอนอันสงบ สิจิตเตอาโลโคภาเพียนทาจิตให้ยิ่งยิ่งยิ่งเอตันภูตาซานันกอย่างนี้เป็นคาสังของพระุเจ้ า, าหลายเนี่ยเรามาหาผู้กันในวันนี้เป็นวันที่อขาองพระอรหรันต์ประติเรื่องขาองพระอรหรันต์เตุใจที่จะสร้างความเป็นพระอารหรันต์ล้วนแต่เกี่ยวกับพระอารหันต์แล้วมันก็ไม่ได้แต่ใครอยางมันได้แต่ผู้นั้นผู้ปฏิบัติเช่นนั้นจะได้ประโยชน์จากความเป็นพระอารหันต์ของตนช่วยความเป็นมนุษย์ถูกต้องและช่วยกิความเป็นพระอรหันต์ในที่สุดทั้งท่าทั ที่จะให้มีความถูกต้องอย่าปฏิบัติอะไรให้มันผิดอย่าปฏิบัติโดยมีตัวกูของกูเป็นหลักฐานถ้าปฏิบัติโดยมีตัวกูของกูเป็นหลักฐานแล้วมันจะปฏิบัติเพื่อตัวปูของกูเสมอไปตัวกูของกูนั่นเป็นความริษมันโดยพาทานมันก็เป็นทุกข์มาเสดจตั้งแต่แรกแล้วแล้วมันไปทําทำให้ทำผิดยิ่งขึ้นทำให้ผิดยิ่งขึ้นหรือยึดมั่นถือมันมากขึ้นมันก็เพิ่มความทุกข์ในที่สุดก็เลยเป็นมนุษย์พินาสงสารเป็นมนุษย์พินาศละอายแมวเมื่อสัตว์เดรัจฉ เอาแล้วเป็นอันสรุปว่าความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องนั้นจะพูดตามตปาลีพิาบริกินี้ี่ก็คือโยนของหนักทิ้งไปเสียเพราะโอกาสผุ้หยับหายวัดจากสะบานหัวเพราของหนักเนี่ยมันสูงอยู่บนตะบานหัวก็ทิ้งของหนักวิ่งให้พ้นไปจากสะบานหัวแล้วมันก็ไม่มีของหนักไม่มีของหนักก็ไม่เป็นรูปพาราหาเวเป็นจักรคันทาคันทังห้าเป็นของหนักเนออพาราหโรจัปุคคโลความยึดถือว่าบุคคลตัวกูนั่นแหละเป็นผู้แบกของหนักพาไปฮาราธานังทุกขั้นโลเกการแบกถือของหนักเป็นความทุกข ทำไมเราจ้างกรรมในโลกเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องโลกก็เป็นเรื่องงโงความทุกข์มันยิงมีแต่ในโลกถ้าพนโลกเมื่อโลกแล้ไม่มีความทุกข์มันเป็นโลกโลกอุดรที่มีความทุกข์ส่วนจงปราวความทุกข์นี้มันมีอยู่แต่ในระบบคืภาระนิเคัญสุขันสับกองหนักที่ออกไปเสียเปความสุขนิทีปิตตมวาครุงภาังมันยังภาังมนาทียะทิ้งกองหนักทนนี้ออกไปแล้วไม่ไปเอากองหนักทานอื่นมาพิถีว่าอีกสมุลังทันทันกุลหะถอนปัญหาเพืนได้กับัรรักนิชชาโตไปนิป เป็นผู้หมดความผิวหมดความผิวหมดความอยากได้ประดับเย็นเป็นนิพพานนคือเรื่องของมนุษย์ที่ใจเป็นมนุษย์เป็นเปี่ยนสมบูรณก็คือทิ้งของหนักออกไปเสียมีสิ่งไร<น>เดียมันนิยถื้ว่าในจิตใจในความโง่สิ่งนั้นเป็นของหนักเป็นตานข้อความคำ ส, สมบัติมันนิยถื้ว่าเป็นของหนักอยากจะย่ชื่อเสียงซึ่งมีใช้วัตถืเป็นตัวตวนอะไรไมันนิยื้แล้วก็เป็นของหนักถ้มันจะเบาอย่างสําลีานิยถื้ว่าตัวตูของกูนั่นกป็นความเป็นของหนักยิ่งกว่าเหล็กถ้ามันเอาไม่นิยตื้วมัน สิ่งใดมันจะเป็นของเบาตามธรรมชาติโดยมดนิยมยึดถือแล้วกลเป็นของหนักมนุษย์เป็นตนแบกของหนักนิพพานหนักแล้วความเป็นมนุษย์นั้นมันจะเรียกว่าเป็นโชคดีที่ตรงไหนครับลองคิดดูเถิดเราเป็นทำผิดเองความได้เป็นมนุษย์กลายเป็นของไม่มีประโยชน์อะไรมีน้ําสร้างปลายเป็นของคนประมาณหรือคนคุกคนปรมุขยึดถือ <c oughs> ยึดถือแม้ในความเป็นมนุษย์อย่างพวกเราต้องยึดถืออะไรโดยความเป็นตัวตนเป็นของตนมีมีถืออะไรไม่ยึดถือแม้แต่ความสุขนียึดถือแม้แต่สวรรค์หรือนิพพานไม่มียึดถือโดยความเป็นตัวตนนของ ก็จะหมดความทุกข์จะเป็นนิพพานคอยยึดถือขั้นนั้นในนิพพานก็กลายเป็นวิจฉานิพานอ่ะยึดถือในสิ่งไดสิ่งนั่นจะกลายเป็นความหนักเราไม่ไม่ยึดถือสิ่งได้จึงจะไม่เป็นความหนักแต่ยังยึดถืออยู่ยังไม่มีนิพพานท่านปลยวางหมดสิ้นฮะจึงจะเป็นนิพพานทัานคอยนึกถึงคำพูดที่ว่าเราไม่ต้องการอะไรถ้าเราไาม่ทำอะไรมันก็ไม่มีความยึดถือชีวิตมันจะอยู่อย่างไรก็ป่อยให้ชีวิตหรือรูปก า, กายและจิตใจมันทำํำไปโดยสติปัญญาตามธรรมชาติธรรมดามันก็ อ ย, อย่ายึดถือเป็นตัวผู้ทำหรือทําเป็นของกู้นี่มันนิดเดียวแล้วพูดแต่เวลาเราพูดกับทำมันกลายเป็นเรื่องยากไม่ยึถือสิ่งใดนะที่เคยึถ mm. ือเราเป็นตัวผูของกูน่ะอย่ายึดถืออีกต่อไปในจิตนี้ก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากความทุกข์ก็คือหลุดพ้นจากความยึดถือที่เคยยึดถือหลุดพ้นเพราะความไม่ยึดถือด้วยอุปาทานนี่หลุดพ้นเพราะไม่ยึดถือด้วยอุปาทานในกระบารีมีคำพูดอย่างนี้นับไม่ถ้กแทนหลุดพ้นเพราะไม่ยึดถือด้วยอุปาทาน มนเป็นเรื่องของจิตใจเมื่อจิตใจฉลาดไม่ยึดถือสิ่งต่างๆก็นหลุดไปจากิตใจไม่มารวมทับอยู่ที่จิตใจคนเราก็ไม่มีความทุกข์กลายเป็นมนุษย์ที่มีจิตใจทูตสูงสุดไปจนไม่มีความทุกข์นี่คความลับสุดยอดของความเป็นมนุษย์มันอยู่ที่ตรงนี้นคือให้ได้เป็นมนุษย์ที่แท้จริงไม่มีความยึดถือสิ่งใดโดยคามเป็นของต้นแม้แต่ในการเป็นมนุษย์ของต้นก็ไม่ได้ยึดถือจิตใจก็เป็นอิสระจิตใจมีเสรีภาพมีอิสรภาพเป็นจิตใจที่อะไรมากรุงใจไม่เกิดความทุกข์ไม่ได้นั่นน่ะเรียกว่าการ ที่อะไรอะไรจะมาปรงแต่งไม่ไดต้ตอนนี้มันมีอะไรมาปรงแต่งมันยื้อให้รัมมัะรําไปน่เป็นที่สุดเรนนี่จะมายื้อให้รัมไปอย่างนั้นไม่ได้อีกแล้วเพราะว่าฉันไม่อยู่ใส่หน้าต้องแก่อีกแล้วเรนนี่ก่าจุดต้นจากสิ่งที่จะมาตรุงแต่งให้เป็นความทุกข์ติดอยู่เนื้อการตรุงแต่งไม่มีอะไรอะไรจะมาตรงแต่งติดทิต น, นี่ให้เกิดความโมเฆาเป็นอวิชชาตัณหาเป็นปิเรศคือเป็นความทุกข์อีกนี่พลคดทหารก็พูดกันแต่เรื่องที่ไม่น่าฟังเข้าใจว่ามันมีการชอบฟัง พูดเ่ออาหารเนี่ยมันคือชื่อกันนี้แค่แต่ถ้ามันไม่เป็นเรื่องที่น่าพอใจแล้าก็น่าสงสัยมีความเป็นพุท ธ, ธบริษัทของ ต, ต, ต, ต, ถถตนของตนแล้มันจะมีตะกี้มากเนาะมันจะมีความเป็นพุท ธ, ธบริษัทตกีมากเนาะขอให้สามารถวางเอาเองเถิดทุกคนรับผิดจอาตนเองว่ามีความเป็นมนุษย์ที่เพิ่มขึ้งขึ้น <c ười> ๆๆอยู่ถ้าไม่มีความเป็นมนุษย์พิถิพิถึงขึ้นไม่มีหวังที่จะตามรอยพระอรหันต์ไปได้จะได้ที่มีความเป็นมนุษย์พิถิพิถึขึ้นเท่านั้นแหละจึงจะเป็นการตามรอยพระอรหันต์ไปจิติกันไป จนในที่สุดก็ถึงความเป็นพระอรหันต์ได้โดยตนเองนี่แหละก่อนพระหันต์พูดการแต่เรื่องของพระอรหันต์ทจิตใจให้สงบเย็นตามแบบของพระอรหันต์ม่เอาเลงขกองปันปุปันปุควเป็นหัวูตอนเย็นเาชับเสนน่สังสงัดตอนค่มันโดยชอบเลรกระตโครมเป็นสาวกที่หลอกตัวเองขับรตัวเองไม่มีทางที่จะก้าวหน้าไปตามทางแห่งศาสนะของสนดบรมศาสดาเขาให้ระวังสังวรต่อไปในเรื่อหน้าในอนาคตนอนใหญ่นั้นย่ำเท้าอยู่ที่ตรงนี้ให้มันก้าวหน้าก้าวหน้าก้าวหน้าไปตามลดับโดยแท้จริง การพูดกันถึงพระอรหานต์นี่ก็จะมีประโยชน์ไม่เป็นมันในหยุดชักไม่ตาด้านถ้าคอยเราเพิ่มการตามรอยพรอรหันต์นี่เพิ่ม้เพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีกปในการตามรอยของพระอรหันของเรานั้นมีการต่างหนาเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีก็จะไม่เสียทีที่เกิมเนมน ด, า ด, ดกนะกมาเป็นมนุษย์ในพบแระพุทธศาสนาเดี๋ยวนี้ดูยัพูดแต่ปากนะทเกิดมาเป็นมนุษย์ในพบแต่พุทธศาสนาพูดแต่ปากนะ ไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะยังเละประมาเลยต้อไปที่ว่เกิดมาเป็นมนุษย์แต่ไม่ได้มนุษย์่เป็นคนมันก็ไม่ได้เป็นนั่นคพบรพุทธศาสนาแ้มันแล้มไม่ได้พบปรพุทธศาสนาไม่ได้เป็นมนุษย์ที่พบประพุทธศาสนาถ้ามานําผิดในเรื่องนี้มันควรจะลาบตามกันมากและมันระวังมันถูกทางแท้จริงว่าได้เกิดมาเป็นมนุษย์จริงแลวก็ได้พบประพุทธศาสนาจริงไม่เป็นตลกว่าเกิดมาเพื่อตัวู่เกิดมาเพื่อควาดีควาเร็นควาดังของตัวคู่ไม่ทำอะไรก็ไปคุ้มคูอยู่ในนรกนะครับบยางทำอะไรก็ไป มันป็อันตรายนะครับมไม่ได้เป็นอันตรายอย่างยิ่งลาบสักการะเสียงสรรเสริญนั่นแหละเป็นอันตรายกว่าสิ่งใดพระพุทธเจาครับอย่างนี้ซ้ำๆร้ปรูกสิครั้งกี่สิบคนลาสักการะเสียงสรรเสริญเป็นอันตรายยิ่งกว่าอะไรอะไรยิ่งกว่ามูขิดยิ่งกว่าสตรลายิ่งกว่าไปยิ่กว่าอะไรแต่เราก็ยังชอบลาสักการะเสียงสรรเสริญทำอะไรนะเราเพื่อลาบสักการะเสียงสรรเสริญแม้แต่ประพฤติประมาจันนี่ก็เพื่อลาบสักการะเสียงสรรเสริญ่วงนีบวซึ่าเนี่ยเพื่อลาบสยว นี่คือเรื่องที่เราจะพูดกันพูดกันอย่างไม่เป็นไครใรโดก็ตามใจจะโดสกีโดดดีอะไรก็ตามใอย่างเาพูดอย่างนี้แหละเพราะว่ามันพูดอย่างอื่น น, น, นั่นมันเป็นการขบถตักขุเจ้าดังนั้นเรพูดอย่างนี้คเป็นสาวกติสูตรของพุน้าพูดอย่างนี้แล้วยังให้มงงนอนแล้วก็คำจามันไม่รู้จะพูดอย่างไรเเวคิดวันคืนนี่เพื่อพระอรหันต์เพ้พพาแล้วก็มีอุบายมีวิธีที่จะให้สาเร็จประโยชน์ตามนะั้นเดี๋ยวนี้พูดมาชั่วโมงกว่าแล้วเหนื่อยแล้วเรา นี่พอตีสามไูพูดทีเ่ถ้าไม่มีใครพูดทันมานก็พูดเท่งนี้ไป น, นอน ก, กันหมดไม่มีใครพูดทันมานก็นั่นพูดคนเดียวได้ไํายต่อตัวก็จะเป็นวันเป็นคืนที่นักุทิศห้แก่รอาหาันการพูดนี้สมควรในเวลาตอนนี้กฤติวัชียุติการพูดนี้ไว้เป็กนกรณ